หมวกวิเศษการละครหนึ่งนานมาแล้วไกลออกไปจากเมืองมีโกโก้โกโก้เป็นเด็กฉลาดพ่อของโกโก้เป็นเจ้าของร้านหมวกขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเมืองแม้ว่าโกโก้จะเป็นลูกคนเดียวพ่อของเขามักจะปล่อยให้เขาดูแลร้านในเวลาที่เขาไม่อยู่โกโก้เป็นนักขายที่ดีและเขาก็เก่งเลขด้วย มักจะขายของได้และได้กำไรด้วยพ่อของโกโก้ภูมิใจในความสามารถของโกโก้แต่เขาก็เป็นห่วงลูกชายของเขาด้วยที่รักโกโก้บอกฉันเรื่องกำไรที่เขาทำได้วันนี้เขาทำได้ดีใช่ไหมล่ะคะโอ้ฉันดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นนักธุรกิจที่ดีในวันหนึง่งลูกมีความสามารถคาล่าแต่เราต้องระวังถ้าเขาโตมาและทนงตน ถนงตนเหรอเขาเป็นนักขายที่ดีเท่านั้นเองนะคะคุณนะ่ะห่วงเกินไปแล้ว oh. สวัสดีโกโก้ Go Go. ฉันขอดูหมวกทรงกลมสูงหน่อยได้ไหมพ่อฉันจะพาฉันไปงานศพและไม่มีอะไรที่ใส่คู่กับสูทสีดำแบนหมวกทรงกลมสูงนั่นคือหมวกของผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นหมวกแม่มดละ่ะแล้วถ้าฉันใส่ไปงานศพละ่ะโอ้หมวกแม่มดเหรอ มันจะไม่ผิดไปหน่อยเหรอมันจะผิดยังไงคำที่นายต้องพูดมันก็คือแตกต่างสิเพื่อนมันจะแตกต่างออกไปแน่นอนมันแพงกว่าหมวกทรงกลมสูงแต่ว่านั่นก็เป็นหมวกที่ทุกคนใส่ในตอนนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่มันเหมาะกับนายนะโ อ, อ, อ้เงินก็โอเคมาสิฉันจะให้นายดู พ่อดูสิผมขายหมวกแม่มดไปแล้วดูสิว่าผมได้เงินมาเท่าไหรโอ้ในที่สุดหมวกนั้นอยู่กับเรามาเป็นปีลูกขายให้ใครเบนเบ น, เ, นเพื่อลูกนั่นเหรอแล้วเ้าอยากได้หมวกแม่มดไปทำอะไรกันไม่เขาไม่ได้อยากได้แต่ผมทำให้เขาอยากได้พ่อทำธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่เหรอสร้างความต้องการ เดี๋ยวนะพ่อรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยลูกทำอะไรลูกสร้างความต้องการได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ต้องการโอ้ง่ายมากเลยผมพูดให้เขาเชื่อและซื้อหมวกนั่นไปเพื่อใส่ไปงานศพกับพ่อเขาลูกทำอะไรนะงานศพมันเกี่ยวกับการเคารพคนตายนะโ ก, โก้ ลูกส่งเด็กคนนั้นไปนงานศพด้วยหมวกแม่มดอย่างนั้นเหรอมันคืองานศพนะนั่นมันไม่ใช่งานปาร์ตี้มันจะเป็นปัญหาอะไรล่ะมันคือข้อตกลงที่ดีผมทำเงินไดจากข้อตกลงนี้นั่นมัน5้าดอลลาร์เลยนะพ่อแค่เพียงเพราะลูกทำเงินจากมันได้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีโ ก, โก้ ลูกต้องคิดถึงการกระทําของลูกด้วยลูกจะทำอย่างไรถ้าพ่อเขามาที่นี่เพื่อที่จะขอเงินคืนนั่นมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าพ่อของเบนอยากได้เงินคืนแล้วก็เราต้องบอกเขาว่าไม่ทันทีเลยข้อตกลงก็คือข้อตกลงไม่ว่าเบนจะทำอะไรกับหมวกใบนั้นมันก็คือหมวกของเขาแล้วผมคิดว่าพ่อจะดีใจซอีก ที่ผมกำจัดมุ่งนั้นออกไปโกโก้เดินออกมาจากร้านด้วยความโกรธเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อเขาถึงไม่มีความสุขเขาทำกำไรได้ในขณะเดียวกันพ่อของโกโก้ก็เริ่มเป็นห่วงเขามากขึ้นพ่อของโกโก้อยากให้โกโก้คิดถึงการกระทำของเขาคืนนั้น ของโกโก้ได้เห็นดาวตกเขาหลับตาและอธิษฐานให้กับลูกชายของเขาเขาอยากให้ลูกชายของเขาคิดก่อนที่จะทําดวงดาวได้ยินที่เขาอธิษฐานและคืนนั้นโกโก้ฝันว่าสวัสดีโกโก้ที่นี่ที่ไหนแล้วคุณคือใครฉันคือนางฟ้า ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะให้ของขวัญกับเธอของขวัญเหรอเพราะว่าผมขายของวันนี้ได้ใช่ไหมผมว่าแล้วเชียวโอเคนี่คือหมวกวิเศษทุกครั้งที่เธอใส่หมวกและถอดออกเธอจะได้เหรียญทองอยู่ข้างในว้าวผมจะรวยจำไว้กโก้ go. หากว่าเธอใช้หมวกนี้มากกว่าสามครั้งเพื่อแลกกับเหรียญทองเธอจะสูญเสียความสูงหนึ่งนิ้วอืมงั้นก็หมายความว่าผมจะตัวเตี้ยลงทุกครั้งที่ผมได้เหรียญทองโอเคผมจะจำเอาไว้ใช้อย่างฉลาดนะจ๊ะอารุสวาดโกโก้ฮะอะไรนะ หวังว่าลูกนอนหลับดีนะเมื่อคืนอ๋อใช่ผมนอนหลับดีอืมดูเหมือนว่าลูกจะไม่โกรธพ่อแล้วดีแล้วโอ้ใช่ผมหมายถึงใช่ผมผมสบายดีขอบคุณนะครับ <laughs> พ่อเดาว่าพ่อไม่น่าจะพูดถึงมันพ่อว่าผมแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความผิดของผมโกโก พ่อหวังว่าลูกจะเข้าใจพ่อวันหนึ่งไม่ว่าพ่อจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรมันคือสิ่งที่ดีสำหรับลูกเฮ้ยยังไงก็ตามพ่อกับแม่จะไปข้างนอกและจะกลับมาช่วงเย็นเป็นเด็กดีละ่ะเข้าใจไหมโกโ็กไม่ได้ตอบอะไรพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันดีแค่ไหนที่จะคว้าโอกาสไว้ฉันก็แค่อยากจะทำกำไร จากหมวกพวกนั้นแค่นั้นเองเดี๋ยวนะหมวกวิเศษหมวกวิเศษชันอยู่ไหนก็ก็ลุกออกจากเตียงและมองไปรอบๆทันใดนั้นก็ก็เห็นบางอย่างอยู่ใต้หมอนของเขาหมวกวิเศษของฉันก็ก็ตื่นเต้นที่จะได้ใส่หมวกและถอดออกมันมีเหรียญทองอยู่ข้างในก็ก็ดีใจมาก และฉันจะรวยรวยรวยรวยฮ่าฮฉันจะลองทำมันอีกทีเขารีบใส่หมวกอีกครั้งแล้วถอดออกแล้วก็มีเหรียญทองอีกโก็กจำในสิ่งที่นางฟ้าบอกได้ดีถ้าเธอใช้หมวกนี้มากกว่าสามครั้งและได้เหรียญทองมาเธอจะสูญเสียความสูงของเธอหนึ่งนิ้ว ฉันเดาว่านี่พอสำหรับสองสามอาทิตย์ฉันจะใช้มันอีกทีเมื่อพ่อแม่ฉันกลับมาพวกเขาจะต้องตื่นเต้นแน่เลยโ ก, โกโกเก็บหมวกของเขาอย่างระมัดระวงังและใช้ชีวิตประจาวันของเขา <S <S เขามีความสุขมากแต่เขาคิดถึงแต่หมวกของเขาที่อยู่ในตู้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถเลิกคิดได้เลย ฉันน่าจะไปตัดผมแต่ว่าฉันไม่มีเงินเลยเ อ, อ่อจะทำยังไงดีนะโอ้ฉันใช้หมวกได้แต่ว่าฉันอยากจะรอพ่อกับแม่ฉันกลับมาก่อนพวกเขาจะตื่นเต้นที่เห็นว่าลูกชายของเขาโชคดีแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนฉันไม่ใช่เด็กที่เล่นมายกรนะใช่ไหมทำไมฉันไม่โชงเงินให้พวกเขาเห็นแทนละ่ะใช่ ฉันจะใช้หมวกอีกครั้งและโชเหรียญทองสามเหรียญให้พวกเขาดูก็ go, ทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาดีใจมากที่เขามีเหรียญทองสามเหรียญในมือแต่อืมแค่สามเหรียญคงไม่พอหรอกนะและถ้าคิดดูดีๆฉันตัวสูงกว่าเพื่อนฉันทั้งหมดนี่บางทีเสียความสูงไปแค่หนึ่งนิ้วคงจะไม่เป็นอะไรและมันก็เกิดขึ้น ก็ก็พบเหรียญทองอีกเหรียญเขาสูญเสียความสูงของเขาหนึ่งนิ้วเห็นไหมมันเสียไปไม่เท่าไรไม่มีใครรู้ว่าฉันเตี้ยลงไปหนึ่งนิ้วโอ้หนึ่งสองสและสฉันไม่พอใจกับมันฉันจะดูโง่มากที่ฉันให้ทองแค่สี่เหรียญกับพ่อแม่ของฉันถ้าฉันเสียความสูงฉันอาจจะมีความโชคดีรออยู่ก็ได้ แลก็ฉันก็ยังเป็นเด็กฉันมีเวลามากพอที่จะสูงอีกฉันต้องทำให้ได้มากที่สุดกับข้อตกลงนี้โดยที่ไม่คิดถึงผลกระทบก็ก็นาเรียนออกมาจากหมวกเรื่อยๆไม่นาะก็มีเรียนเต็มไปหมดที่พื้นวอ้โดูนั่นสินี่ถือเป็นข้อตกลงที่ดีแล้วฉันจะเพิ่มความสูงได้ในอีกไม่กี่เดือน และฉันก็เจอรวยอ่าแล้วตอนนี้ฉันจะกลับไปนอนต่อดีกว่าแต่โกโก้ก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งหนึง่งฮ้อโอ้ไม่มันใช้เวลาเป็นปีที่โกโก้จะสูงขึ้นแต่เขาแลกมันไปไม่กี่นาทีเออเดี๋ยวนะหมายความว่าฉันจะสูงขึ้นในอีกหนึ่งปีอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ฉันจะทำยังไง ฉันจะได้ความสูงขึ้นได้ยังไงฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันขึ้นเตียงไม่ได้ฉันไม่สามารถหยิบคุกกี้ที่อยู่บนเคาน์เตอร์ได้และฉันก็ไปที่ร้านไม่ได้ด้วยไม่นะ ก, ก็หยิบหมวกออกมาและเขย่ามันเขากลัวที่จะใส่มันบนหัวเขาพยายามที่จะเอาทองที่อยู่บนพื้นใส่ลงไปในหมวก เอาไปเอาคืนไปให้หมดเลยเอาท้องคืนไปทำให้ฉันสูงอีกครั้งทำอะไรก็ได้ได้โปรดหมวกงอกโกโก้ใส่ทองลงไปในหมวกจนจนหมวกขาดไม่ฉันจะทำยังไงหลังจากที่ร้องไห้ไม่กี่นาทีโกโก้ก็หลับลงและฝันอีกครั้ง โกโก้ go. เธออยู่ไหนอยู่นี่อยู่ข้างล่างนี้ครับอ๋ไม่เธอทําทอะไรลงไปนะฉันบอกเธอว่าห้ามใช้ผมรู้ผมแค่อยากจะทําข้อตกลงที่ฉลาดผมคิดว่าการสูญเสียความสูงเพียงแค่หนึ่งนิ้วเพื่อแลกกับทองมันคือทางที่ง่ายที่สุดที่จะรวยโกโก้ go. การทําข้อตกลงที่ฉลาด ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกทางที่ง่ายที่สุดเธอจะต้องคิดก่อนที่เธอจะลงมือทําบอกฉันมาหน่อยว่านี่มันคือข้อตกลงที่ดีไหมไม่ไม่เลยมันแย่และโง่มากที่แลกกับความสูงของผมถูกต้องแล้วเธอได้คิดถึงมันไหมเธอจะได้เลือกทางที่ถูกผมรู้ผมทําเรื่องที่ผิดไปแล้ว ตอนนี้บอกฉันสิว่าเธออยากจะให้ฉันทำอะไรฉันสามารถนำหมวกกลับมาแล้วเธอก็ตัวสูงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเธอจะเก็บหมวกไว้และรอเป็นปีเพื่อที่จะได้ความสูงขึ้นมาไม่ไม่เอาแล้วเอาหมวกและทองของคุณคืนไปและทำให้ผมสูงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรามีร้านและผมก็ยังเรียนอยู่ ผมจะมีทองของผมเองและผมรู้ว่าพ่อแม่ของผมจะมีความสุขนั่นคือทางเลือกที่ดีโกโก้นั่นแหละเมื่อกโกโก้ตื่นเขาพบว่าตัวเองอยู่บนพื้นและเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองสูงเหมือนเดิมและทัานใดนั้นเสียงกริ่งก็ดังขึ้นแล้วเขาก็วิ่งไปเปิดเย้ yeah, พ่อฮะโอ้ oh. <laughs> เราหายไปนานเท่าไร่เนี่ยผมขอโทษครับพ่อผมเข้าใจแล้วพ่อพูดถูกเพียงแค่เพราะว่ามันฟังดูง่ายไม่ได้หมายความว่ามันคือข้อตกลงที่ฉลาดผมจะคิดถึงผลกระทบที่ตามมาเสมอโอ้ลูกคิดได้ด้วยตัวเองเหรอบางทีพ่อน่าจะให้ลูกอยู่คนเดียวบ่อยขึ้นนะไม่ไม่เอาอีกแล้ว กโ ก, กอดพ่อของเขาแน่นและสัญญาว่าจะคิดถึงอนาคตก่อนทำเสมอจบบริบท